ข้อความในคู่กานิกาอิติวุตกะจัดตาริสูตรว่าด้วยปัจจัยน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษ4อย่างนะครับในข้อสองร้อยนะครับดูการพิสูจน์ทั้งหลายปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษสีอย่างนี้4อย่างเป็นไฉนดดูการพิสูจน์ทั้งหลายบรรดาจีวรน ผ้าบางสกุลน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษจีวรบางสกุลนะหาง่ายอย่างนั้นแหละบรรดาโภชนะคําข้าวที่ได้ด้วยปลีแข่งน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษอาหารบินฑบาตเนี่ยนะบรรดาเสนาชนะโคนไม้น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษบรรดาเภสัช มูดเน่าเนี่ยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษครับพันจีวรก็ผพาบางสกุลโภชนะก็ที่เดินเที่ยววินธบาทเสนาสนะก็โคนไม้ส่วนหยุกยาก็ได้แก่น้ำมุดเน่านะครับดูความพิสูจนทั้งหลายปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษสี่อย่างนี้แหลดูความพิสูจนทั้งหลายเราจะทาคตกล่าวธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่ง ของภิกษุซึ่งเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษนับว่าเป็นองแห่งความเป็นสมณะผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็เรียกว่าอยู่ในองของความเป็นสมณะนะครับคือผู้ที่ยินดีในปัจจัยน้อยที่หาได้ง่ายเนี่นะครับแล้วก็เป็นของไม่มีโทษนะครับคือภาบางสกุลโภชนะที่ได้ด้วยการบิณฑบาตเสนาสนะคือคนไม่ยุบยาคือ คืออะไรครับยุกยาน้ำมูดเนา่น า, น, านะครับเป็นของที่หาง่ายนะและผมก็ตรัสเป็นคาถาว่าความคับแค้นแห่งจิตย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษนะครับคือไม่ต้องคับแค้นใจนะไม่ต้องอึดอจจัดใจอะ่ะเพราะปรารพเนสนนะจีวรปานะและโพชนะทิศของเธอชื่อว่าไม่กระทบกระเทือน ภิกษุผู้สันโดษไม่ประมาทยึดเหนี่ยวเอาไว้ได้ซึ่งธรรมะอันสมควรแก่ธรรมะเครื่องความเป็นสมณนะที่พระตถาคตตรัส บ, บอกแล้วแก่เธอนะผลแห่งการปฏิบัติก็จักไม่ยากนักนะถ้าหากบัาสันโดษในปัจจัยสี่แล้วนะที่จริงก็อีกสำนวนหนึ่งของอริยวัง ส, สูตรนั่นเองนะครับไม่ต่างอะไรจากอริยวัง ส, สูตรนะ ว่าเรียวังสสูตรก็พูดถึงความสันโดษนะครับในโพชนาหารเหมือนกันนะครับในปัจจัยสี่เหมือนกันนะอัตถกาานะครับจัตตาริสูตรว่าบทว่าอัปปานิแปลว่าปัจจัยมีน้อยนะครับคือมันไม่เยอะอนะบทว่าสุลภานิคืออันบุคคลพึงได้โดยง่ายคือสามารถจะหาได้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะปัจจัยน้อยหาง่าย อยู่ที่ไหนก็ไม่ไม่อดอยากะนะโคนไม้เนี่ยนะประเทศไทยนะบทว่าอนัตวชานิคือชื่อว่าเว้นจากโทษได้แก่ชื่อว่าไม่มีโทษเพราะการมาบริสุทธิ์เพราะไม่มีภาวะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมีการประดับกายเป็นต้นนะครับเพราะว่าพวกปัจจัยสี่ก็ไม่ได้มีเพื่อเพื่อประดับตกแต่งอะไรก็เลยไม่มีโทษนะครับแล้วก็การได้มาซึ่งผ้าบางสกุลเป็นต้นเนี่ยนะครับ สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนี่ก็ไม่มีโทษนะครับเพราะได้มาอย่างบริสุทธิ์ชอบธรรมอาหารบินธบาติที่บินด้วยปีแครงมาเนี่ยนะครับก็บริสุทธิ์เพราะได้มาโดยชอบธรรมขอโอกาสครับเอาไดอย่างผ้าจีวรของข้าหาบับดีหรือว่าอา่าโภชนะที่ได้มาจากกิณมลเสนาสนะที่ประณีตอันนี้จะกล่าวว่ามีโทษอย่างนั้นหรือบ่าถ้านับไปแล้วก็เสี่ยงกว่าแบบนี้นะครับ ถ้าพูดแบบนี้ก็เป็นอยู่อย่างผาสุกนนถ้าหากว่าประสงค์จะเจริญคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะครับประสงค์ที่จะเจริญสมถะวิปัสนาเพื่อจุดมุ่งหมายคือบรรลุมรรคผลเนี่ยนะครับปัจจัยสี่ตามสูตรนี้เนี่นะครับเกื้อกูลมากแต่ถ้าหากว่าเราคิดดูนะถ้าใช้ผ้าจีวรของเครือหบดีนี่นะครับมันก็มีข้อผูกพันอีกไม่รู้กี่เรื่องกว่าจะได้ผ้าอันนั้นมาอย่างหนึ่ง ไม่ได้พาอนั้นมาแล้วจะต้องรักษาศรัท ธ, ธาเขาอย่างไรที่จะต้องไปคลุกคลีคุ้นเคยกันอย่างไรทีนี้อาหารกิจนิมนต์เนี่ยครับไม่ใช่ว่าไปถึงก็แหมายไปถึงก็ฉันเลยแลกลับเลยไม่ใช่นะครับก็ต้องมีพิธีรีตรองมีที่เรดวันลวดลายตั้งมากมายนะเสร็จแล้วก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับอีกนะครับที่อยู่อาศัยและครับถ้าหากไม่ใช่โคนไม้ถ้าสร้างกุฏิราคาเป็นหลายๆ ห, หมื่นหรือหลายแสนนะครับหรือหลังเป็นล้านเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จนะครับ ต้นความคับแค้นอึดอัดแห่งจิตโดยเฉพาะเจ้าว่าทั่วไปนะครับเพราะท่านก็จะทุกร้อนเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะที่อยู่อาศัยเนี่ยกุฏิเป็นต้นเนี่ยนะครับสร้างมาแล้วเสร็จสักทีก็ไปเดือดร้อนหากริ่นหาผ้าป่าเป็นต้น น, นะเพราะฉะนั้นถามว่าในขณะที่กําลังอึดอัดคับแค้นคับแคบเนี่ยนะคิดหาพวกปัจจัย4เหล่านี้เป็นต้นสมถาวิปัสสนามีเหลือไหมครับยากยากนะครับสมณธรรมบําบเพ็ญไม่ง่ายเลยนะ หรือถ้าหาว่าอยู่ยาทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าหาว่าเออเอายาแบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ยากแต่ถ้าไม่เอายาแบบพระพุทธเจ้าก็คิดถึงโรงพยาบาลใหญ่ๆโตๆนะครับพ่อง VIP เนี่ยนะครับเป็นต้นเนี่นะไปอยู่อย่างนั้นแล้วไหนค่าหาค่าอยู่ค่ายาค่าหมู่ค่าหมอข่ารักษาจะไปจะมานะครับปัญหามันเรื่องราวมันใหญ่โตไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัย4ี่อย่างที่พระผู้มีประภากเนี่ยนะครับตรัสไว้นั้นเกื้อกูลต่อการเจริญสมถวิปัสสนาชั้นสูงจริง แต่ถ้าปรจใจสี่นะครับมีครึหาบดีจีวรเป็นต้นอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับมันเกื้อกูลต่อกกามาสุขขลิกานุโยกในพบเนียมมากนะครับแล้วก็ผิดศีลก็ไม่ยากนะครับหนักๆเข้าถ้าหากว่ากุศลจิตเกิดไม่เพียงพอเนี่ยนะครับอเนสนากรรมเป็นต้นก็จะง่ายถ้า ง, ง่ายแล้วครับเป็นที่มาของลาบสการะในด้านอื่นๆ อ, อีกนะครับเห็นไหมถ้ายิ่งสมัยนี้ด้วยถ้าต้องรับเงินรับทองหนักๆเข้าก็สะสมเงินทองนะครับ ปัญหาด้านอื่นๆเนี่ยมาเยอะเราคิดง่ายๆนะครับถ้าเทียบสมัยนี้นะว่าภิกษุที่อยู่กุฏิรู้ๆกับอยู่โคนไม้นะอันไหนเป็นอบัตง่ายกว่ากันนะครับถ้าอยู่ในโคนไม้เนี่ยนะครับเมื่อไหร่จะได้เป็นอบัตสังฆาธิเศษเนี่ยไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับปราชิชก็เป็นไม่ง่ายแต่กุฏิมิชิดเป็นต้นเนี่ยนะครับอบัตอย่างอื่นๆเนี่ยมาเป็นพรนเลยนะครับแล้วก็คือหมายถึงผู้ที่ไม่สังวรนะครับถ้าหากว่าอ่านใน สุเมธกันนะครับสุเมธกันนะพูดถึงอ น, นิสงค์ของตานอยู่โคนไม้นะครับตรงนั้นจะเห็นชัดเจนมากนะครับว่าเโคนไม้นี่มีอ น, นิสงฆ์มหาศาลนะครับเอ อ, อ ค, ครับดูดูอย่างข้ออื่นเนี่ยก็ยังพอพอพิจารณาว่าเออเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องของยาเนี่ยครับดูเหมือนว่าเ อ, อยาดองด้วยน้ำบูดเน่าเนี่ยจะรักษาโรคไปได้เสียหมดทุกอย่างเลยอย่างนั้นนะ เพราะว่าดูๆแล้วยาในโรงพยาบาลก็มีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวครับแต่เชื่อมไหมครับแคปแคปซูลหนึ่งกี่บาทบางเม็ดนะครับสิบาท20บา ท, บ, บ, าทบางเม็ดเนี่ยเป็นร้อยนะครับแคปซูลหนึ่งหรือเม็ดหนึ่งเนี่ยนะครับทีนี้ยามันไม่ได้กินเม็ดเดียวแล้วหายนะครับกินเป็นร้อยเม็ดทีนี้ร้อยเม็ดก็คูณเป็นตัวเลขเป็นเงินเป็นทองไปทีนี้ถ้าจะได้เงินทองซื้ อ, อยาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับจะต้องสนิทกโยมกี่คน จึงจะได้มูลค่าค่ายาขนาดนั้นนะครับหรือเรามีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเขานะพอที่เขาจะมาถวายมาทําบุญกับเราเนี่ยนะครับพอที่จะเขาเสียค่ายามีมูลค่าเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะครับเพราะยาสมัยใหม่เนี่ยเป็นหมื่นนี่ถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับเป็นของธรรมดาลแล้วนะครับต่อไปนะครับบทว่าอัปปานิแปลว่ามีน้อยนะครับสุรภานิแปลว่าหาได้ง่ายและบทว่า อนนาวัชานิไม่มีโทษนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้นะครับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความไม่มีทุกข์อันเกิดจากการแสวงหาไว้เพราะความที่ปัจจัยสี่หาได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปทุกข์ทรมานในการแสวงหาแต่สมมตินัสกุติหลังหนึ่งเนี่ยวิ่งหากรถินนี่เหมือนเธอไม่สนุกเลยนะครับยิ่งถ้าต้องใช้กอด้วยอิดกอด้วยหินเนี่ยนะครับอย่างที่โยมเขาเล่าให้ฟังว่าพรามาเรื่อยอะไมา ขอเรียรายหินเนี่ยนะครับนะก็ต้องไปเที่ยวหารถหารอะไรเกี่ยวข้องคลุกคลีเนี่ยนะโอ้ยการสแสวงหามันเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งกรถินทั้งหลายแลไรเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นผ้ากระถินเนี่ยโอ้ยยิ่งสมัยนี้ด้วยนะมันก็เหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งอาหารขบฉันเนี่ยนะแต่ถ้าปฏิบัติตามนี้ก็ไม่เกิดทุกข์จากการสแสวงหานะครับถ้ายินดีในความเป็นสมณะนะ ต่อไปบอกว่าทรงแสดงความไม่มีทุกข์อันเกิดจากการรักษาไว้เพราะความที่ปัจจัยสี่มีน้อยคือไม่ค่อยทุกข์นะครับในการรักษาถ้าจีวรงามๆดีๆแพงๆเนี่ยนะคงทุกข์มากนะครับถ้าใครจะมาขอไปใช้หรือมันหายนะครับหรือไปเปื้อนไปเปื้อนก็ยิ้มไม่ค่อยออกหรืออาหารนะครับถ้าเป็นอาหารประณิดปนิดเป็นต้นดีๆแพงๆนะอย่างที่เราชอบใจเลยนะไอ้ที่จะทําสังขาวัตถุแจกจ่ายคนอื่นก็คงจะยากโขมือนกันนะครับ ถ้ามันมีหน่อยเดียวนะถ้ามันมีหน่อยแค่อินเดียนะไอ้ที่จะมาเออนะคนละคำคนละคำเป็นอะไรน ะ, ะพัดเป็นคำคำเหอ น, นะก็ยากถ้ากุฏิงามๆนะครับถ้ายิ่งแบบสมัยใหม่ด้วยบ า, บางหลังก็มีติดแอร์เป็นต้นเนี่ยนะเอาไม่ล่ะแบ่งกันอยู่องค์นู้นมาอยู่ทีสิองค์นี้นมาอยู่ที่แบบในวินัยเนี่ยเป็นประเด็งง่ายไหมครับยากนะเพราะฉะนั้นก็จะยึดเหมือนอภิสิทธิ์เลยนะครับกุญแจเนี่ยอยู่กับมือเราคนเดียวนะแล้วก็บริหารก็เต้ไปหมดเลยนะครับ ก็ลำบากนะแต่ถ้าอยู่โคนไม้ไปสะสมเยอะๆดูเอ้ยมันน่าเกลียดนะนะครับเพราะฉะนั้นทุกจากการรักษาก็ไม่มากนะครับหายก็ไม่เสียดายไม่เสียใจอะไรนะเห็นใครมาอา้าอยู่โคนนี้ก็ได้เดี๋ยวผมย้ายไปอยู่โคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับถ้าโคนไม้นะครับก็สะดวกง่ายสบายใจดีนะครับจันมาก็ขอปฏิบัติอเงี้ยนะถ้าใครจะไปขออยู่ตรงนั้นบ้างท่านก็อนุญาตนะครับเราไปหาที่อื่นอีกไม่ยากนะครับอันนะ้ แต่ถ้าหากว่ามุ่งในการเจริญสมณธรรมเนี่ยนะครับโคนไม้นี่เป็นของที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าฝึกอยู่โคนไม้ระยะหนึ่งจะเห็นคุณค่าของความเป็นสมณะนะครับคือตื่นตัวกว่าอยู่ในกุฏิเยอะนะครับตื่นตัวกว่าการเยอะต่อไปนะครับบอกว่าทรงแสดงความที่ปัจจัย4ี่เป็นของสมควรแก่ภิกษุ เพราะใครๆติเตียนไม่ได้เหตุที่เป็นของไม่มีโทษนะครับไม่มีใครนักไปตําหนินะครับบัณฑิตวินยูชนทั้งหลายนี่ไม่ตําหนินะครับแต่ถ้าหากว่าไปอยู่ครือหาดใหญ่โตเลยนะครับติดแอร์คอนดิชั่นไปหมดเลยเนี่ยนะโอ้โหนี่มันมันสมณะหรือว่าเครือหารบดีกันแม่เนี่ยนะครับทําธุรกิจอะไรจึงใหญ่โตขนาดนี้เป็นต้นะครับคนก็อาจจะเอะใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่มีใครติเตียนได้นะครับถ้าหากว่าอยู่แบบสมณะทั่วไปเนี่ยนะ ต่อไปบอกว่าทรงแสดงความที่ปัจจัยสี่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหวังอันเล็กน้อยเพราะของมีน้อยนะครับมึงไม่ต้องทุกข์มากก น, นะไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมากมายแล้วก็ทรงแสดงว่าปัจจัยสี่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดหาได้ง่ายนะครับโลภะไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่นะครับเพราะบินทบาทเนี่ยนะโยมเขานึกจะใสอะไรเขาก็ใส่มาทีนี้เราเอชอบไม่ชอบก็ต้องฉันนะเพราะมีเท่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นไอ้โลภาก็ไม่ได้ไปโฮสเนหาฉันแล้วก็กลือน้ําลายแล้วกลือน้ําลายอีกก็ไม่ต้องอย่างนั้นอะไรนะครับกินแล้วก็สักแต่ ว, ว่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆหนึ่งก็ใช้ได้แล้วเนี่ยนะนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายก็ไม่ได้มาสแสวงหาปัจจัยสี่อะไรนะครับต้องการจะมาบวชบําเพ็ญสมณะธรรมต่อไปบอกว่าทรงแสดงว่าปัจจัยสี่นี่นะครับเป็นที่ตั้งแห่งนิสรณสัญญาด้วยอํานาจแห่งโทษเพราะหาโทษไม่ได้ คืออาหารเนี่ยเป็นของไม่มีโทษหรือว่าปัจจัยสี่นี้ไม่มีโทษแล้วพิจารณาเห็นโทษของอาหารนี่ง่ายทายถอนตนออกจากสิ่งเหล่านั้นก็ง่ายนะครับเห็นไหมมันจะเจริญสมถาวิปัสสนาต่อไปก็ไม่ยากนะครับรทออาาี่เรียกว่าถอนง่ายว่างั้นนะเนี ปัจจัยสี่ไม่ยังโสมนัตให้เกิดเพราะลาบตามที่ได้เนื่องจากมีน้อยนะครับไม่ได้โหวันนี้พิเศษยิ้มแย้มป่าเ ป, ปิ่มในปัจจัยสี่นะครับลักษณะของตาเมาสุขาริกานุโย ก, ก็ไม่เกิดนะครับแล้วก็ไม่ยังโทมนัตให้เกิดเพราะไม่ได้เนื่องจากหาง่ายนะครับก็หมายถึงก็ว่าบินทบาทแล้วไม่ได้ฉันเลยเนี่นะครับก็ยังพอมีบ้างนะครับไม่ถึงก็บไปต้องไปเสียใจอะไร ไม่ยังอัญญาโุเบกขาซึ่งมีความเดือดร้อนเป็นนิมิตให้เกิดเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีโทษไม่ต้องไปเร่าร้อนไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปอะไรนะครับในปัจจัยเหล่านั้นนเนี่ยนะทีนี้อธิบายนะครับที่บอกว่าปัจจัยน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษเนี่ยนะคำว่าปังสุกูลังความว่าจีวอนที่เลือกเก็บเอาเศษผ้าที่หล่นตามถนนเป็นต้นมาทําซึ่งได้นามอย่างนี้ว่าปังสุกูลัง ปนะังสุกุละเพราะว่าเป็นเหมือนกองฝุ่นโดยความหมายว่าอยู่สูงเนื่องจากอยู่บนฝุ่นทั้งหลายในที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีถนนป่าช้าและกองขยะเป็นต้นนะครับสมัยนี้หาไม่ยากจริงๆนะครับไปหาผ้าเช็ดเท้าแถวไหนก็ได้นะครับผ้าเขาทิ้งเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าประสงค์จะใช่นะครับไม่ได้อดยากเลยนะครับใบนี้มันจะมากเกินไปด้วยซ้ําไปนะครับตามว่าตามวาวเว้ยเป็นตู้ๆเลย เมื่อก่อนนี้ผมก็ทุกข์ใจเหมือนกันเอ๊ะจีวอนเยอะๆนี่จะไปทำยังไงดีเนะะจะไมอยู่น้องเปิ่งอันนะมันเป็นตู้ๆนะครับสองสามตู้อย่างเงี้ยนะเขาเห็นว่าเราอยู่เยอะๆเอ้ยวัดกันดารกันดารอย่างเงี้ยน่าจะไม่มีอะไรมั้งคนโน่นก็ขนมาให้คนนี้ก็ขนมาให้กลายเป็นว่าดูถ้าจะมากกว่าพวกในเมืองอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ทุกข์ร้อนในเรื่องเก็บหามรอมริบจะต้องหาเจ้าหน้าที่มาดูแลหุน่นวายไปหมดนะครับ ก็ที่ไหนรู้ว่าพอจะแจกได้ก็ขอไปแจกนะครับต่อไปนะครับคําว่าผ้าบางสกุลนี่เพราะหมายความว่าไปคือถึงความเป็นของหน้าเกลียดเหมือนฝุ่นนะครับไม่มีใครห่วงหรอครับแต่ว่าถ้าเทียบผ้าบางสกุลสมัยนี้เนี่ยนะครับไปเที่ยวหาเก็บเหมือนสมัยก่อนนี่คงยากนอกจากไปเที่ยวเก็บตามวัดเนื่องจากผ้าของคราวญสมัยนี้กับสมัยโน้นแตกต่างกันสมัยนี้เข้าใช้ผ้าแบบ เสื้อกางเกงทั่วๆไปนะครับเอาจะมาเย็บปะเป็นจีวรนี่มันรู้จะออกเป็นผ้าชนิดไหนไม่รู้ครับลายทหารก็ไม่เชิงนะครับลายอะไรก็ไม่ใช่สักอย่างนะคงแปลกๆดีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยนะครับคารวาสเขาใช้ผ้าขาวกันนะครับแบบแบบคนไทยโบราณนะ่ะนะผ้าแบบคนไทยโบราณนุ่งโจงกระเบนน่ะนะแต่เก็บเสืผ้าเหล่านั้นเอามาย้อมเอามาอะไรก็ได้บทว่า ปินดิยาโลโปความว่าโภชนะที่ตนเที่ยวไปด้วยพลังปลีแข้งแล้วได้มาในเรือนกะประมาณเพียงหลังละคำนะหลังละคำสิบหลังก็เกือบอิ่มแนละ้วนะครับสบายแล้วนะบทว่ารุกขมูลลังแปลว่าที่ใกล้ต้นไม้แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งเหมาะสมแก่วิเวกนะครับรุกขมูลเนี่ยนะตรงไหนก็ได้นะครับคนไม้ตัวไหนก็ได้ บทว่าปฏิมุดตังได้แก่น้ำมูดโคชนิดใดชนิดหนึ่งอธิบายว่าร่างกายแม้มีผิวพันธุ์ดุจทองคําก็เป็นร่างกายที่เปื่อยเน่าอยู่นั่นเองฉนันใดน้ำมูดแม้ใหม่ก็เป็นน้ำมูดเน่าฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นในเรื่องนั้นอาจารย์บางพวกเรียกว่าชิ้นสมอที่ดองด้วยน้ำมูดโคก็ว่าน้ำมูดเน่านะครับอาจารย์อีพวกหนึ่งกล่าวว่าเพศัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่เขาสละคือทิ้งได้แก่นําออกจากร้านตลาดเป็นต้น นยาแบบสมัยก่อนนะครับไม่ใช่ไปเก็บยาสมัยนี้ที่หมดอายุแล้วนะครับกินแล้วอาจจะตายเร็วขึ้นก็ได้นะครับโรคอาจจะมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ายาสมัยทุกวันนี้ก็มีอายุใช้งานของเขานะครับก็บอกว่าเพราะเป็นของเสียพระผู้มีพระภาคประสงค์เอาว่าเป็นน้ํามูดเน่าก็คือยาดองบางอย่างนะครับเช่นสมอดองเนี่ยนะ บทว่ายะโตโขเป็นปัญจะมีวิพัตลงในอัฏปจจัตะคามนั้นอธิบายว่ายังโขด้วยเหตุนั้นบทว่ายะโตโขนะวันนี้ก็ขยายศัพท์นะครับคลุมถึงกิริยาที่ท่านกล่าวไ ว, ว, ว, ว, ว, ว้ว่าตุโถโหติบทว่าตุโถได้แก่สันโดดบทว่าอิท่ามัสสาหังความว่าความสันโดดด้วยปัจจัยสี่ตามที่กล่าวแล้วซึ่งมีน้อยแต่ก็หาง่าย เราจะทาคตกล่าวความสันโดษนี้ว่าเป็นองค์ของความเป็นสมณะนะเออตัวสันโดษนะตัวสันโดษตัวกุศ ล, ลจิตอ น, นั้นเนี่ยนะครับที่สันโดษในปัจจัยสีเนี่ยเป็นองค์ของความเป็นสมณะคือองค์ที่ทําให้เป็นสมณะองค์ใดองค์หนึ่งคือองค์หนึ่งในองค์ทั้งหลายมีศีลสังวรเป็นต้นของพิสูจน์นี้นะครับท <Evet. S 1> ี่เรียกว่าตัวความสันโดษอ น, น, นั้นเนี่ยนับเนื่องในตรัยสิก ข, ขานะครับนับเนื่องในสิก ข, ขา เพราะว่าจตุปาริสุที่ศีลของพิสูผู้สันโดษย่อมบริบูรณ์ดีสมถะและวิปั ส, สนาภาวนาย่อมถึงความบริบูรณ์นะครับท่านมีสันโดษลักษณะอย่างที่ว่านี่นะครับไตรสิกขาก็จะบริบูรณ์ใช่ไหมครับจตุปาริสุที่ศีลก็ดีไม่ต้องไปประราชิกสังขารที่เสดอะไรเพราะเหตุแห่งเสนาสนะอยู่ยารักษาโรคจีวณเป็นต้นนี่นะครับไม่ต้องไปเสียหายอะไรไม่ต้องไปเป็นอบัติ อะไรนะครับโลภะก็ไม่กําเริบเสิบสารเพราะอาหารบางอย่างก็เพราะความกําหนัดนะครับอาหารบางอย่างถ้าเช่นยกตัวอย่างนะไข่ถ้าอาจจะบางวันเนี่ยโยมเขาต้มไข่มาสิบ20ี่สิฟองเนี่ยนะครับถ้าเกิดตักมาสักวันละห้าฟองห้าฟองเนี่ยนะครับนมกล่องอีกวันละหลายกล่องเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก็นอนกลัดกลุ่มแล้วนะครับลําบากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปัจจัยที่พอเหมาะพอดีนี่นะครับ ศีลทั้ง4ี่อย่างก็ดีนะครับเจตุปาริสุทธิธ์ที่ศีลก็ดีนะครับถ้าหากว่ากิเลสมันไม่ค่อยกำเริบเวลาปัจเจกก็ปัจเจกง่ายนะครับแต่อาหารอะไรก็ถูกใจไปหมดมันไม่ค่อยอยากปัจเจกนะครับมันอร่อยอะนะลืมปฏิสังขาโยไปหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อาศัยปัจจัยที่ได้โดยชอบทำเหล่านี้นี่นะครับอาชีพก็บริสุทธิ์ไม่ต้องไปเป็นหมูกเป็นหมอไปประจบประแจงคารวะญาติโ ย, ยมาอะไรให้ต้องเสียธรรมเสียวินัยนะครับ บางคนก็ประจบประแจงจนเสียสมณะสารูปหมดเลยนะครับสำนวนว่าโอ้ยไปบริการเขาทุกอย่างหนักๆเข้าก็เป็นอักุศรวิตกเขาทุกก็จะทุกไปด้วยเขาเขาได้ดีก็จะไปดีใจกับเขานะครับเป็นต้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็กุศลธรรมก็เจริญยากแต่ถ้าสันโดษตามที่กล่าวไปแล้วนี่นะครับโยมเขาจะรวยเขาจะจนเขาจะอยู่ดีมีสุขกับเรื่องของเขาไปเราก็บิณฑบาตพออยู่ไปวันๆหนึ่งเพราะว่ากิจของเราจริงๆก็คือ มาบำเพ็ญไตรสิกขานะครับบำเพ็ญจตุปาริสุทธิ์สินเจริญสมถวิปัสนานี่นะครับกุศลธรรมเหล่านี้ก็จะเจริญบริบูรณ์อีกประการหนึ่งนะครับอริยมรรคชื่อว่าสามัญญะคือความเป็นสมณะว่าโดยย่อสามัญญะนั้นมีองค์สองคือองค์ภายนอกกับองค์ภายในนะครับนะองค์ที่จะทําให้บรรลุอริยมรรคนี่แบ่งออกเป็น2 อ, อย่างนะครับอาศัยสิ่งที่เป็นภายนอกกับภายใน บรรดาองสองนั้นองค์ภายนอกได้แก่สัปปุริสูปัสยะการเข้าไปคบหาสัต บ, บุรุษหนึ่งนะครับสัทธรรมสวนะัสการฟังธรรมของสัต บ, บุรุษนี่หนึ่งนี่เขาเรียกว่าองค์ภายนอกนะครับจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกคืออาศัยสัต บ, บุรุษแล้วก็อาศัยการฟังธรรมนะครับคือเมื่อคบสัต บ, บุรุษแล้วก็จะได้ฟังธรรมจากท่านนะครับส่วนองค์ภายในได้แก่โยนิสมนัสิกานนะครับคือการทําไว้ในใจโดยแยกค่ายกับธรรมานุธรรมปฏิปติป บรรดาธรรมเหล่านั้นเพราะเหตุที่ธรรมเหล่านี้เป็นตัวธรรมานุธรรมปฏิปติเพราะเป็นมูลรากแห่งธรรมานุธรรมปฏิปตินั้นด้วยตามสมควรนะครับได้แก่ธรรมทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้คือมักน้อยนะครับอบปิชตาความมักน้อยสันติตาความสันโดษปวิวิตตาความเป็นผู้สงัดอาสาังสัธตาความเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยมู่อารัฐวิริยะตาความเป็นผู้ปรารบความเพียน คือถ้าหากว่าตั้งตั้งอยู่ในความสันโดษด้วยปัจจัยสี่กล่าวตามที่กล่าวไปแล้วนี่นะครับที่สุรูปนั้นก็ตั้งอยู่ในเรื่องของความมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดนะครับไม่คลุกคลีแล้วก็เป็นคนปรารบความเพียรเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้นี่นะครับเป็น การปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่โล ก, กุตตรธรรมนะครับฐานเพื่อให้อริยมรรคทั้งหลายบังเกิดขึ้นนะครับอาศัยกุศลธรรมเหล่านี้นะรองรับถ้าหากว่าความมักน้อยความสันโดษความสงดัดหรือว่าความคลุกคลีด้วยหมู่คณะมากเกินไปนี่นะครับฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูงก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นผู้มีความสงดัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารคความเพียนเนี่ยนะครับกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นอุปนิสัยเป็นฐานรองรับนะครับ เช่นสันโดษสมมติวนะ่ท่านสันโดษเกิดหนึ่งครั้งเหมือนกับดินที่เอามาถมที่หนึ่งที่เนี่ยนะครับถมหนึ่งครั้งแต่ละถมถมมั้นถ้าความมากน้อยสันโดษถ้ามีมากเท่าไหร่ฐานก็จะแน่นเท่านั้นจะตุปปริสุทธิ์ศีลก็มั่นคงนะครับเมื่อกุศลศีลเป็นต้นดีนะครับเนีย่ยนะสันโดษเป็นต้นเกิดขึ้นอย่างดีแล้วศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนก็จะเกิดไม่ยาก เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าเราตถาคตกล่าวสันโดดนี้ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณนธองใดองค์หนึ่งนะครับของพิสูจนนั้นคือเป็นองค์ภายในนะครับเป็นองค์ประเภทธรรมานุธรรมปฏิปติเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดประสงค์จะ บ, บูตเป็นธรรมเป็นพู้ทบูชาจริงๆนะครับพระองค์ทรงสรรเสริญข้อปฏิบัติในลักษณะนี้นะครับบดว่าเสนาสนะมารพะได้แก่อาศัยเสนาสนะมีวิหารเป็นต้น และเสนาสะนะมีเตียงต่างเป็นต้นในบทว่าจีวรังปานโภชนังมีการเชื่อมความว่าปรารบสบงจีวรเป็นต้นนะครับน้ําดื่มมีน้ํำมะม่วงเป็นต้นเรียกว่าปานะใช่ไหมครับและวัตถุที่พึงบริโภคมีขาชนิยะโภชนิยะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าปรารบปัจจัยเนี่ยนะในคาถาที่พระองค์ตรัสว่า นะความคับแผลนแห่งจิตย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัยน้อยหาได้ง่ายเพราะปรารบเสนาสนะจีวรปานะโพชนะทิศของเธอชื่อว่าย่อมไม่กระทบกระเทือนอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะครับใครจะชวนไปอยู่ไหนก็ได้ถ้าจะได้สปายะนะครับไปได้ทันทีเลยไหม่อะไ ร, อ, ะไรอาวรนอะไรภนะิกษุผู้สันโดษไม่ประมาทยึดเหนียวเอาไว้ได้ซึ่งธรรมะอันสมควรแก่ทม เนี่ยนะจะยึดโลกุตระธรรมได้ไม่ยากนักเหมือนนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความคับแค้นคือภาวะที่ถูกกระทบกระทั่งได้แก่ความทุกข์ใจก็ไม่มีถ้าสันโดษตามที่กล่าวเลยนะไม่ต้องเดือดร้อนใจนะอธิบายว่าความคับแค้นแห่งจิตอันใดเพราะไม่ได้ปัจจัยที่ต้องการย่อมมีแก่ผู้สู่ผู้ไม่สันโดษผู้สแสวงหาปัจจัยมีเสนนาสนะเป็นต้นด้วยการไปสู่อาวะที่จะพึงได้ด้วยหวังว่า ในอาวาสชื่อโน้น ون, ปัจจัยทั้งหลายหาได้ง่ายก็ดีด้วยการโต้เถียงกันว่าปัจจัยนี้ถึงแก่ผมไม่ถึงแก่ท่านก็ดีด้วยการทํางานเป็นต้นก็ดีความเครียดแค้นนั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สันโดษในปัจจัยทั้งหลายนะถ้าสันโดษสัอย่างเนี่นะไม่ต้องหวังว่าเอ๊วัดที่เราจะไปอยู่นี่รวยหรือเปล่าวะเนี่ยวัดนั้นนี้มีศรัทธาเยอะไหมวัดนั้นนี่มีปัจจัยสี่มากไหมวัดนั้นเป็นยังไงเนี่ยนะ ก็ไม่ต like ้องกลัดกล่้มอะไรดูสปายะไปเป็นอันใช้ได้นะครับไม่ต้องสนใจว่าคนขึ้นมากขึ้นน้อยก็ไม่ได้ต้องเดือดร้อนใจอย่างนั้นแล้วแปดใจแต่ละอย่างก็หาง่ายแล้วก็ไม่ต้องโต้เทียงกันว่าเออนี่กุฏนี้ถึงผมกุฏนี้ถึงท่านอะไรก็ไม่ต้องไปโต้เทียงกันนะคนไม่ก็อยู่ได้แล้วหรือว่าเออจีวรนี้ของผมของท่านอะไรก็ไม่ต้องมาตกเทียงกันนะครับอันนี้ไม่ถึงแก่ท antes, ่านอันนี Export ้ไม่ถึงแก่ผมหรือบางทีอยักได้กุฏิงามๆก็สร้างกันทั้งวันทั้งคืนใหม่หลับใหม่นอนนะครับ พร้อมก็ลองกันนะนะหรือบางทีทําไปทํามาก็เครียดแค้นทะเละาะเบาะแวงกันคุยกันไม่ถูกคอผมอยากได้อย่างนี้ท่านอยากได้อย่างนั้นนะครับมันก็โอ๊ยคับแคนใจอึดอัดใจเดือดร้อนใจไปหมดแล้ครับเพราะความไม่สันโดษแท้ทีนี้จิตใจคับแคนแบบนั้นแล้วเนี่นะครับสมถาวิปัสสนาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสมาธิมันไม่เกิดอยู่แล้วนะครับเพราะปีติปรามโมทย์ในกุศลธรรมไม่มีเลยนะ หนักๆเข้าถ้ากระทบกระเทือนในพระภิกษุทั้งหลายมีจิตโกรธเคืองกันเมื่อไหร่ตะปูตรึงใจก็ได้ฝังลงในจิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เจโตขีรธรรมก็นะครับปักมั่นแล้วแสดงว่าบุคคลนั้นขาดศรัทธานในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขาดความเลื่อมใสในพระธรรมขาดความมั่นใจในพระสงฆ์ศึกขาก็ทําได้ไม่บริบูรณ์เมื่อไม่บริบูรณ์ก็ยากที่จะเจริญในธรรมนี้ บทว่าที่สารนับปฏิหันยติความว่าเพราะสันโดษที่ทั้งหลายจึงไม่ถูกกระทบกระทั่งเนื่องจากภิกษุผู้สันโดษเป็นผู้ไปได้ในทิศทั้ง4ี่นะครับจะไปไหนก็ได้นะครับสมด้วยพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุผู้สันโดษด้วยปจยัจจัยตามมีตามได้ย่อมเป็นผู้ไปได้ในทิศทั้ง4ี่และไม่ถูกกระทบกระทั่งหมายาว่าไม่ต้องไปอึดอัดขับแคบขับแทนใจอะไรที่ไหนนะครับ คนไม้ก็อยู่ได้นะครับท่านขอวัดพักเขาไม่ให้พักก็เอากดไปกลางข้างๆเสาไฟฟ้าก็อยู่ได้ได้นะครับนะคือวิธีก็อาหาไม้อันหนึ่งนะครับไปเสียบกับรูเสาไฟฟ้าก็แขวนกดใช้ได้แล้วนะครับนะนั่นแหละก็ไม่ต้องแต่ว่าไปหาที่มันเหมาะๆหน่อยนะครับหาที่ไม่ใช่ว่าไปโชว์ข้างๆอะไรนะครับต้องไปดูที่เหมาะๆเลี่เล่นหน่อยนะครับแค่นั้นเขาไม่ให้อยู่วัดก็ไม่เห็นว่าอะไรเนี่ยครับนอนตรงไหนก็นอนได้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าเข้าไม่ตอนครับเราเข้าไม่เชื้อเชิญเราอะไรเรานะครับก็ไม่ได้บวชมหากุติแบบนั้นอยู่ที่ไหนเหมือนันเะนะบวชมหาสมมาณะธรรมบวชมหาสิกขานี่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนใจอะไรนะครับทีนี้ว่าตรงไหนไม่ใช้สั ป, ปายะก็รีบไปหน่อยนะครับอย่าไปอยู่นานอยู่นานแล้วก็แสดงว่าประโยคะใกล้จะวิบัติแล้วนะครับ เด่นนะก็ตรงไหนดูไม่สปายากุศลไม่เจริญก็ไปสินะครับพระพุทธเจ้าบอกรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนนะครับอในวนปัฏตสูตรนะครับส่วนพิสูุใดไม่เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาทิศของพิสูดนั้นชื่อว่าไม่ถูกกระทบกระทั่งไม่ต้องเดือดร้อนใจอะไรคําว่าธรรมมาได้แก่ธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหลาย บทว่าสามัญญาสานุโลมิกาได้แก่ธรรมะทั้งหลายมีความมักน้อยเป็นต้นซึ่งเหมาะสมแก่สมณะธรรมแก่สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือแก่อริยมรคนั้นนะครับนะข้อปฏิบัติตามนี้เป็นข้ออปฏิบัติที่อนุโลมต่อต่อความเป็นสมณะจริงๆนะครับคือเป็นข้อปฏิบัติที่อนุโลมต่ออริยมรจริงๆ บทว่าทิฆิตาความว่าธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นอันภิกษุผู้มีจิตยินดีแล้วคือภิกษุผู้มีจิตสันโดษแล้วบรรลุแล้วคือครอบงํำธรรมะที่เป็นปฏิปักยึดไว้ได้แล้วได้แก่เป็นธรรมะมีอยู่ในภายในไม่ใช่มีอยู่ในภายนอกนะครับอันพระองค์แต่ว่าเออความสันโดษดนี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่ ง, งจริงๆนะครับถ้าภิกษุเป็นผู้ที่สันโดษในปัจจัยสี่อย่างนี้แล้วนี่นะครับสมณธรรมทั้งหลายก็บําเพ็์ง่ายขึ้น แล้วในระหว่างนี้จะเห็นโทษของวัตตะมากขึ้นนะครับเห็นโทษของการมีภาระในเรื่องการบริหารหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องนุ่งห่มหาเรื่องอาหารเนี่ยนะครับก็จะเห็นโอ้โหีวัตตทุกขจริงๆนะครับก็จะเห็นคุณค่าของสมถติวิปัสสนามมากขึ้ น, นทีนี้ถ้าหากว่าอยู่ในที่ที่มันสบายไปหมดนะครับนอนกลางวิตกพยาบาทวิตกเป็นต้นเนี่ยนะ ก็นิพพานอะไรก็เอาไว้ก่อนนะครับคุณค่าของศีลทั้งหลายสถามถะวิปัสสนาก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับนจัดตาริสูตรนะจบก็จบแค่นี้นะครับ